พอขยี้ตาผ้าใบหน้าเคี้ยวงอกของคุณก็หายไปแต่พอดูดูมันก็งอกออกมาอีกฉันต้องขยี้ตาอยู่หลายครั้งทีเดียวพรานใหญ่ถอนใจเฮือกสายหน้าช้าๆขอบคุณเจ้าป่าที่คุณหญิงไม่ยิงผมเข้าให้อีตอนเห็นเคี้ยวงอกออกมาดาดินหัวเราะ ก, ก่อยๆถึงฉันจะหวาดกลัวตกใจเพียงไรฉันก็ยังไม่ถึงกับเสียสติถึงเพียงนั้นหรอก และนี่พูดจริงๆนะไม่ใช่มาแกล้งพูดร้อคุณเล่นฉันเห็นอย่างนั้นจริงๆในที่สุดฉันก็นึกถึงคาถา ส, สมาผีสางนางไม้ของคุณขึ้นมาได้ไม่รู้จะยึดเอาอะไรเป็นที่พึ่งก็เลยภาวนาท่องบนไปมันได้ผลเหลือเกินหลังจากนั้นฉันไม่เห็นภาพใบหน้าของคุณเปลี่ยนแปลงวิกลวิการไปอีกแต่แล้วพอนั่งเครลิ้มๆไปได้สักหน่อยก็ได้ยินเสียงประหลาดอะไรก็ไม่รู้ เป็นเสียงคล้ายปีพาดนางหง์หรือมโหรีที่เขาประโคมในงานศพหน้าลอยมาตามรมต่อมาก็ได้ยินเสียงป่าลั่นคึกไปหมดลาวก็มีกองทัพเดินผ่านมามีเสียงคล้องโบราณเสียงกองชนะฉันพยายามจะปลุกคุณแต่เขาขยับขยื่นตัวไม่ได้เลยรู้สึกเหมือนเป็นตะคิวไปหมดฝันเขาบอกสั้นๆ ดารินมองดูเขาดิดสายตาตรงเต็มไปด้วยประกายจริงจังเน้นเสียงอาจเป็นความฝันก็ได้แต่เป็นฝันในขณะที่ฉันลืมตาและมีความรู้สึกครบถ้วนเพียงแต่ไม่มีพยานมาร่วมรับรู้เห็นเท่านั้นเล่าต่อไปสิครับพรานใหญ่กล่าวเนิบๆต่อมาเหมือนจะไม่สนใจอะไรนักแล้วฉันก็เห็นกองทัพจริงๆเป็นกองทัพของสิงสาราสัตว์ทุกชนิด เคลื่อนขบวนผ่านปากถ้ำที่เราเอาศัยหลบนอนอยู่นี่ไปกลางขบวนกองทัพสัตว์อันน่ากลัวเหล่านั้นมีชายแก่หนวดเคราสีขาวหน้าแดงราวกับทาดิชาตินั่งมาบนหลังเสือโคร่งสีดําสนิท ต, ตัวขนาดม้าเทศภาพเหล่านั้นผ่านสายตาฉันไปเหมือนภาพในจอหนังนั่นแหละป่าทั้งป่าสว่างสวยไปหมดแต่ละสัตว์เหล่านั้นราวกับจะเป็นธาตุฟอสฟอรัสสว่างด้วยตนเอง ฉันกระดิกตัวไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวเพียงแต่ประสาตาเห็นและประสาทหูได้ยินเท่านั้นแล้วต่อจากนั้นลพินคงถามเสียงเรื่อยๆมาเช่นเดิมมือสาระวนอยู่กับการย่างเนื้อกองทัพสัตว์เหล่านั้นผ่านไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับเป็นปกติเหมือนเดิมฉันจะปลุกคุณขึ้นในขณะที่ฉันขยับขยื้อนตัวได้นั้นแล้วแต่เห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรก็เลยปล่อยให้คุณนอนตามสบาย นี่ไม่ใช่พวกบ้านป่าเล่าให้ผมฟังนะครับแต่ผู้เล่าเป็นแพทย์หญิงดาลินวราลิสนักวิทยาศาสตร์ผู้ผ่านโลกเจริญขีดสุดมาแล้วแล้วก็เคยหัวเราะเยาะในเรื่องอย่างนี้มาก่อนด้วยพรานใหญ่พูดเรียบๆแล้วก็หัวเราะออกมายกประโยชน์ให้แก่ความตามฝาดหรือความฝันดีกว่าครับคืนคิดมากระสาเสียเปล่า ผมก็บอกคุณหญิงแล้วว่าในป่ามันเกิดอะไรพิลึกคลกขนาวเห็นได้เสมอแหละแ ล, ะแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้ด้วยคราวนี้คุณหญิงรู้สึกกับตัวเองอย่างจังทีเดียวแต่ถึงอย่างไรผมก็ขอชมเชยที่คุณหญิงสามารถควบคุมสติไว้ได้ดีมากสิ่งที่คุณหญิงเห็นถ้าเล่าให้ชาวป่าฟังเขาก็ถือว่าเป็นนิมิต ด, ดีของการเดินป่าชั้นมหาโชคทีเดียวเอาอยัางไงล่ะขนาดเจ้าป่ามาสำแดงตัวให้เห็น ผมเองบนบานสารกล่าวมานักต่อ น, นักอยู่ป่ามาก็นานไม่เคยเห็นจังจังอย่างคุณหญิงสักทีสิ่งที่คุณหญิงเห็นตรงกับพวกพรานป่าและแว่งนี้ิรากันครับคือเจ้าป่าถิ่นนี้หนวดคราวสีขาวและชอบขี่เสือโคร่งสีดําด้วนดารินเม้มริมฝีปากยกมือทั้งสองขึ้นแตะขมับท่าทางของหล่อนใช้ความคิดขนาดหนักจ้องหน้าเขาอยู่เช่นนั้น ทำไมมันถึงรีดับอัศจรรย์อย่างนี้นะฉันพยายามเฝ้าถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่ามันเป็นความฝันหรืออะไรกันแน่เสียดายเหลือเกินที่ขณะที่เห็นนั้นฉันตกอยู่ในลักษณะแบบผีอัมคือกระดิกกระเดี้ยวไม่ได้เลยจะว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นก็ได้ลักษณะแบบนี้ถ้าจะวิเคราะห์กันในทางจิตเวทวิทยาก็คืออาการสัมผัสทางประสาทที่6นั่นเอง สัตว์แต่ละชนิดที่เห็นล้วนเป็นสัตว์ดุร้ายรูปร่างประหลาดประหลาดไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งนั้นแต่มันก็พากันผ่านไปเฉยเฉยไม่ได้แสดงท่าว่าหันมาเห็นหรือสนใจกับโพรงถ้ำที่เรานอนอยู่นี่เลยคุณหญิงตื่นตลอดเวลาหรือครับหลังจากที่ผมหลับไปแล้วก็เคลิ้มเคลมแต่เชื่อว่าส่วนมากรู้สึกตัวตลอดเวลาเพราะฉันนั่งไม่ได้นอนคอยเติมกองไฟอยู่เรื่อย คุณละ่ะหลับดีรึรพีนปิดปากหาวบิดขี้เกียจจนกระดูกล้านแล้วตบต้นคอแรงๆหลับอย่างไม่เป็นท่าเลยครับช้างเหยียบก็คงไม่รู้สึกแล้วก็ฝันพิสดารอะไรวุ่นวายไปหมดฝันยังไงหล่อนถามพาซื้อพรานใหญ่หันกลับไปมองดูตำแหน่งที่เขานอนอยู่แล้วยักไหลฝันว่านางฟ้าเหาะลงมา ประทานตักให้เป็นหมอนหนุนอย่างแสนสุขพอตื่นขึ้นมาหัวหนุนอยู่กับท่อนไม้แข็งโปกก็เป็นความฝันที่ดีนี่ดาลินกล่าวด้วยสีหน้าเฉยๆเรียบบถึงจะดียังไงก็มันก็เป็นแต่เพียงความฝันเท่านั้นรีบๆทานอาหารเสียเถิดครับประเดี๋ยวฟ้าสว่างกว่านี้อีกนิดเราจะออกเดินทางเลยเชื่อว่าวันนี้คงจะได้ข่าวพวกเราบ้างเป็นแน่ ทั้งหล่อนและเขาบรรจุกระเพาะด้วยเนื้อแก่งย่างอันเป็นสเสบียงติดตัวมาตั้งแต่เมื่อวานโดยปราศจากรสชาติไปตามมีตามเกิดและมันก็เป็นมื้อสุดท้ายพอให้หนักกระเพาะกลัวขอได้น้ําในกระบอกซึ่งเหลืออยู่อีกเพียงเล็กน้อยการมีโอกาสได้นอนหลับพักผ่อนกันบ้างพอสมควรสําหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาทําให้แช่มชื่นมีกําลังขึ้นระหว่างนั่งกินกันอยู่ตะขาบตัวหนึ่งใหญ่ขนาดเท่าฝ่ามือสีแดงราวกับไฟ ยาวสอกเศษเลื้อย พ, พรวดพลาดออกมาจากซอกหินไปทางด้านที่ดารินนั่งอยู่หญิงสาวเป็นพรวดเดียวข้ามกองไฟเข้าไปทางเขาอย่างใจหายใจคว่ำหล่อนวัยพอตัวตะขาบใหญ่ตัวนั้นเล่นหายเข้าไปในซอกมือดอีกด้านหนึ่งมันคงตื่นตกใจอะไรออกมามากกว่าที่จะเจตนาพุ่งออกมาหมายทำร้ายมนุษย์ซึ่งโดยแท้จริงแล้วก็ไม่ใช่นิสัยของมันที่จะจู่โจมคนก่อนหล่อนทาท่าขนพองอย่างแยง โชคดีที่เมื่อคือนนี้มันไม่เลื้อยออกมากัดเราเข้ามันอยู่แค่จมูกเรานี่เองถ้าไม่เหยียบหรือไป น, นอนทับมันเข้ามันก็ไม่ทําอะไรหรอกครับรพินบอกจัดการกรบดับกองไฟเตรียมย้ายที่ออกมาข้างนอกความจริงตะขาบเป็นสนัญลักษณ์แสดงความสบายใจชนิดหนึ่งของพรานสบายยังไงถ้าเห็นตะขาบชุกชุม่มป้นเปี้ยนอยู่บริเวณไหน ก็เป็นอันเชื่อแน่ได้ว่าเราปลอดภัยจากพวกงูพิษต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งงูจงอางไม่ต้องคอยระวังตัวให้เสียเวลาเอ๊ะทำไมหรือธรรมชาติจัดสรรสัดส่วนของมันไว้ได้แปลกมากครับมีความยุติธรรมและได้สมดุลดีเสมอมีการทำลายล้างแพ้ชนะกันเองอยู่ในตัวในรูปหมุนเวียนแบบไซเคิลคลอเดอร์งูจงอางเป็นสัตว์ที่ดูเหมือนจะมีพิษร้ายที่สุด แต่แน่แปลกที่มันกลัวตะขาบทั้งๆ ท, ที่ตะขาบตัวเล็กนิดเดียวพิษก็น้อยกว่ามันแพ้ฤทธิ์กันยังไงก็ไม่ทราบซ้ำยังเป็นคู่แค้นคู่อริกันเสียด้วยตะขาบรู้ว่างูจงอางมีรังอยู่ที่ไหนพวกมันจะต้องด้านด้นไปกัดให้ได้และงูถ้าถูกตะขาบกัดก็ไม่มีทางรอดไม่ยอมสู้หน้าเลยมันกลัวกันมากเพราะฉะนั้นมีตะขาบที่ไหนงูจงอางหนีหมดจึงพอยึดเป็นหลักเชื่อถือได้ว่า ถ้าเห็นตะขาบเราไม่พบจงอางและตะขาบมันก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับเรามากนะักแปลกหรือเกินจริงเหรอร่อนร้องสีหน้าประหลาดใจและคนงุนงงจ้องหน้าเขาเหมือนจะค้นหาความจริงจริงสิครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องลึกลับพิสดารอะไรมันเป็นกฎของธรรมชาติเป็นตรกกศาสตร์น้ำกรดแรงขนาดไหนพอถูกด่างเข้าเท่านั้นกรดก็หมดลิ์ไปเลย ในวงการวิทยาศาสตร์เองก็ยังมีข้อพิสูจน์ให้เห็นถึงทฤษฎีทำลายล้างกันเองอย่างนี้ให้เห็นชัดอยู่แล้วเขาพูดเรื่อยๆก้มลงหยิบกระบอกไม้ไผ่แล้วพยักหน้าชวนหลอนให้ออกไปนอกบริเวณถ้ำสุปป่าเบื้องนอกซึ่งบัดนี้เริ่มจะมองเห็นอะไรได้ชัดขึ้นแล้วท่ามกลางหมอกตอนเช้าที่ปกคลุมบางๆอยู่ทั่วไปธรรมชาติของสัตว์โลกก็เป็นเช่นเดียวกันช้างตัวเท่าบ้านกลัวมดแดงตัวเท่าขี้ผง งูห่าเจ๋อพังพรก็เป็นฝ่ายที่จะต้องกลายเป็นเหยื่อมีสัตว์ที่พอจะยกเป็นตัวอย่างง่ายๆอยู่สามชนิดที่พิสูจน์ชัดถึงวงหมุนเวียนแบบไซคลอร์เดอร์อย่างที่ว่านี่คือไก่หมูและตะขาบทั้งสามชนิดนี้แพ้ชนะไล่กันไปเป็นรูปวงกลมไก่ที่บางอาจเข้าไปแย่งข้าวหมูกินมักจะถูกหมูตัวถูดุและมโหร้ายขยําเอาแหลกเลว และกัดกินเป็นอาหารไปส่วนหมูถูกตะขาบกัดนิดเดียวก็ต้องตายไม่มีทางแก้เลยแต่แล้วไก่ถ้าไปพบตะขาบเข้าเป็นหัวเราะกากไลจิกกินเป็นอาหารอนุชะตะขาบถ้าเจาะไก่เป็นหนีไม่พ้นแน่แนถูกจิกทีสองทีก็หงิกงอดหมดฤทธิ์แล้วเขาก็หัวเราะออกมากล่าวต่อมาอยัางขันขันว่าเมื่อสมัยเด็กเด็ก คุณหญิงเคยเล่นลาลาตีต่ำโป้มหรือว่ายันยิงเป้าบ้างหรือเปล่าครับหล่อนพลอยหัวเราะออกมาด้วยเคยแล้วมันเกี่ยวอะไรกันนั่นแหละทฤษฎีเดียวกันไม่มีผิดเด็กๆจะซ่อนมือไว้ก่อนและนำออกมาประชันกันในเวลาเดียวกันโดยแสดงความหมายของมือแทนสิ่งต่างๆซึ่งแพ้ชนะกันในรูปใสคคลอเดอร์นี่แหละ ความจริงไม่ใช่เรื่องเห ล, หลยวไล้ไร้สาระตามภาษาเด็กเลยแต่เป็นตรรกะศาสตร์ที่เอามาจากธรรมชาติวิทยาทีเดียวโดยเด็กอาจไม่รู้ตัวเพิ่งรู้นี่เองว่าคุณเป็นนักปัชญาตัวยงดาดินพูดพร้อมกับชำาเรืองมองดูเขายิ้มยิ้มแต่ผมก็เป็นอะไรไปไม่ได้มากกว่าพรานนำทางรับจ้างเมื่อต่างพ้นบริเวณปากถ้าเสือออกมา การสนทนาการด้วยอารมณ์รื่นก็พันสะดุดช ง, งักไปอย่างฉับพลันเพราะภาพสยดสยองอันเป็นพยานของเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นเมื่อใกล้ค่ำของเมื่อวานศพทุเรศของชาวป่าตัดไม้สามศพและซ่าของนางเสือแม่ลูกอ่อนร้ายกาจตัวนั้นยังคนนอนเรียงรายอยู่ใต้ต้นตะเคียนใหญ่ในระหว่างโขดหินคู่เมื่อเย็นวานเห็นในลักษณะไหนก็คงอยู่ในลักษณะนั้นโดยไม่มีการขยับขยื่นหน้าประหลาดที่เมื่อคืนซึ่งผ่านมา ไม่มีสัตว์ชนิดใดเข้ามารบกวนซากศพเหล่านั้นเลยดาลินชะงักนิดหนึ่งสีหน้าเปลี่ยนไปเมื่อนึกถึงภาพติดตาที่หล่อนเห็นซึ่งจนบัดนี้ก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรกันแน่หล่อนเห็นด้วยจักสุภาพแท้จริงหรือว่าประสาทร้อนแล้พินอ่านความรู้สึกของหลอนออกหันมายิ้มปลอบใจแล้วเดินนาตรงไปยังซากศพเหล่านั้น ดาดินขับไล่ความประวัติหวาดพรั่นพึงที่เกาะหัวใจอยู่ออกไปแข็งใจสืบเท้าตามหลังเข้าไปด้วยอย่างกระชั้นชิดในยามช้าที่แสงตะวันขึ้นแล้วเช่นนี้มันไม่น่ากลัวเหมือนขนาดที่หล่อนเห็นในแสงขมุกขมัวยามขํามของเมื่อวานแต่ลักษณะของศพที่ชวนสังเวชในตาอยู่ดีคนหนึ่งถูกกัดเสียก้านคอแทบขาดหลุดออกจากตัวศีรษะหมุนไปอยู่ทางเบื้องหลังและตาเหลือกถลนเบิกโพรง แสดงถึงความหวาดกลัวขีดสุดก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่างอีกคนหนึ่งหนังบนศีรษะถูกตรบลงมาปิดอยู่ครึ่งหน้าเห็นกระโหลกหัวขาวโพลนลักษณะเป็นกะเหลี่ยงด้วยกันทั้งคู่สภาพของศพกำลังแข็งตัวนางเพชฌฆาตรายพาดก่อนยามที่สิ้นฤทธิ์หมดลมปานแล้วเช่นนี้ดูตัวมันก็ไม่ใหญ่โตอะไรนักผิดกับขณะที่มันยังมีชีวิตอยู่เมื่อเย็นวาน กระสุนจุด3 5ม็แมกนัมจากมือของรพินเป็นกระสุนประกาสศิธิ์โดยมือที่เกิดมาเพื่อเป็นพรานโดยแท้มันเจาะเข้าเหนือดั้งจมูกทะลุต้นคอราวกับจับวางการยิงแบบนี้ก็คือการยิงแบบหยุดมัตจุราชไม่ว่ามันจะเป็นมัตจุราชชนิดใดก็ตามแล้วทั้งสองก็เคลื่อนมาหยุดพิจารณาอยู่เหนือศพของชายเคาะ ร, ร้ายคนที่สซึ่งนอนหงายอยู่โคนต้นตะเคียนใกล้ๆ ก, กับซากเสือ บาดแผลจากศพนี้ดูเหมือนจะน้อยกว่าอีกสองศพมากเพราะมีรอยถูกขย่ำคอต่อหักและขาดใจตายทันทีเท่านั้นไม่ถึงกับเบอะวะนักดาลินจ้องที่ศพนั้นแล้วเม้มปากหลับตาลงหน้าของหล่อนซีดพรานใหญ่เหลือบตาขึ้นสังเกตอาการของหล่อนพร้อมกับถามว่าศพนี้ใช่ไหมครับที่คุณหญิงเห็นว่านั่งมาบนหลังเสือแล้วตกมือชี้ให้เสือดูราวบนต้นไม้ หม่อมราชวงหญิงคนสวยพยักหน้านิดหนึ่งมองศบตาเขาด้วยประกายจริงจังร่าคนไปด้วยแววแสดงความรู้สึกยากที่จะอ่านออกกายสั่นน้อยๆใช่คนนี้แหละหล่อนรับเสียงแห่แพ้งเกือบจะไม่ได้ยินจ้องมองดูสภาพของศพแน่วแน่เหมือนจะค้นหาสิ่งรีรับที่แฝงอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้มันก็ยังติดตาิ้นอยู่เห็นทุกอิริยาบทการขึ้นไหวทีเดียว เขานั่งคล่อมมาบนหลังเสือเหมือนจะเป็นนายของมันสีหน้าเสียหน้าเกลียดหน้ากลัวที่สุดพอเสือวิ่งมาถึงตรงนี้หลอนชี้ที่หมายให้ดูเจ้าคนนี้ก็แผ่นลงมายืนทางขาจังก้าตบมือดังสนัน่นแล้วแหงนขึ้นไปบนต้นตะเคียนพร้อมกับชี้มือเสือมันก็แหงนตามแล้วมันก็เห็นเราจากนั้นเสือก็กระโจนขึ้นมา ขณะที่เสือกระโจนเจ้าคนนี้ยังยืนจังก้าอยู่ในอาการเดิมเหมือนจะคอยคุมเสืออยู่งั้นแหละพอคุณยิงเปรี้ยงเสือพลิกลงไปดิ้นเขาก็ล้มแผะลงเฉยๆล้มตนลักษณะที่เห็นนอนอยู่อย่างเดี๋ยวนี้แหละฉันมองเห็นภาพที่เล่าหมายฝั่งนี้ด้วยเลนในต่างฉันเองทั้งสองข้างพรานใหญ่มองดูรอดแล้วยิ้มยิ้มอยู่ในสีหน้าเช่นนั้นพิจารณาดูสภาพของศพสิครับ แล้วนิติเวศวิทยาจะบอกคุณหญิงได้ในทันทีว่าเขาถูกเสือตัวนี้กัดตายสนิทก่อนแล้วโดยบาดแผลจากที่คอนั่นเมื่อเป็นเช่นนี้เขาจะนั่งมาบนหลังเสือแล้วคอยบงการให้เสือกระโจนขึ้นมาเล่นงานเราได้อย่างไรเอาละครับตอนนี้เรามองเห็นอะไรโดยแสงตะวันกระจ่างชาัดกับตาเป็นการยืนยันอย่างนี้แล้วก็นั่นน่ะสิทำไมมันถึงพิสดารอย่างนั้นก็ไม่รู้จะให้ฉันบอกสักกี่ครั้ง ฉันก็ยังยืนยันอยู่ว่าในขณะนั้นฉันเห็นอย่างนี้จริงๆพูดแล้วยังขนลุกอยู่นี่หญิงสาวเสหิวกายถอยห่างจากศพนั้นออกไปเล็กน้อยอย่างหวาดหวาดแล้วพีหนู่รอบเบาๆเดินอ้อมไปยืนอยู่ทางด้านศีสะศพที่เปิดตาค้างอยู่สิ่งที่คุณหญิงเห็นอย่างว่านั่นผมก็บอกกับคุณหญิงหลายครั้งแล้วว่าคุณหญิงตาฟาดประสาทร้อนไปเองหรือคุณหญิงจะให้ผมบอกตามความเชื่อถือของ หลอนไม่กล่าวเช่นไรในขณะนั้นพรานใหญ่จึงบอกต่อมาด้วยเสียงแผ่วต่ำว่าเมื่อเสือตัวนี้ฆ่าคนคนนี้เป็นศพที่สามเพราะความแค้นพยาบาทที่ลูกของมันถูกทำร้ายถึงตายวิญญาณของผีตายโหงคนที่สามนี่เองได้ลงสิงเสือร้ายสำแดงเดชขึ้นขี่คล่อมหลังของมันมาและนำตรงมาที่ต้นไม้ที่เราหลบซ่อนอยู่เมื่อมาถึงมันก็กระโดดรง ชี้ให้เสือเห็นเราสองคนที่หลบซ่อนอยู่บนกิ่งไม้คล้ายจะแนะเสือให้รู้ว่าต้นเหตุที่ทําให้ลูกๆของมันตายนั้นคือเราสองคนที่ซ่อนอยู่นั่นเองปีศาจที่สิงเสือต้องการให้เสือฆ่าเราด้วยแต่เมื่อเสือถูกยิงตายสิน้นฤทธิ์ลงฤทธิ์ของปีศาจก็หมดไปด้วยศพนี้จึงล้มลงในทันทีที่เสือตายอย่างที่คุณหญิงเห็นดาดินร้องอะไรออกมาคําหนึ่งผงะถอยหลังห่างศพออกมาอีก พานใหญ่ก็หัวเราะก้ากออกมาดังๆเป็นยังไงครับถ้าผมบอกกับคุณหญิงอย่างนี้คุณหญิงจะเชื่อไหมล่ะหล่อนพยายามจะอ่านสีหน้าของเขากลืนน้ำลายตรงคอฝืดๆแล้วทำไมฉันถึงเห็นคนเดียวล่ะคุณไม่เห็นอ้าวผีนะถ้าจะหลอกใครก็มักจะหลอกคนเดียวเสมอต่อให้อยู่หลายๆคนคนอื่นๆก็ไม่เห็นในกรณีนี้มันเล่นงานคุณหญิงคนเดียว คุณหญิงถึงได้เห็นภาพที่สยดสยองถึงเพียงนั้นสำหรับผมคล่ำวอดมาเต็มทีแล้วมั น, ห ล, นหลอนผมไม่ได้เพราะฉะนั้นผมจึงเห็นในลักษณะธรรมดาที่สุดคือเห็นไอเสือตัวนั้นคาบลากศพนีกก้กลากมา ก, กับพื้นไม่ผิดอะไรกับสองศพแรกนั่นแหละหญิงสาวมีท่าเหมือนจะจับไข่ขึ้นมาอีกคุณต้องการจะให้ฉันเชื่อในเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างไรกันแน่อย่างแรกที่ว่าตาฉันฝาดเห็นไปเอง หรือว่าอย่างหลังคือฉันถูกผีหลอกพรานใหญ่เดินเข้ามาชิดร่อนเดี๋ยวนี้คุณหญิงได้เห็นชัดกับตาตัวเองแล้วใช่ไหมครับว่าในป่ามันเต็มไปด้วยสิ่งลี้ลับที่เราพิสูจน์ไม่ได้มันอยู่ที่สติและกำลังใจของเราเท่านั้นอย่าไปสนใจอะไรกับมันหรือเก็บไปคิดให้มากเลยครับสรุปแล้วก็คือตาฝานันแหละเป็นข้อมินิจไฉที่ดีที่สุดสาหรับปัญญาชนที่ได้รับการศึกษามาดีแล้ว เรื่องหน้าขนหัวลูกชนิดนี้ผมก็บอกแล้วว่าเคยพบเห็นเผชิญกับตนเองมาก่อนเสียนักต่อนักสำหรับคุณหญิงผมรู้สึกว่าสติและความกล้าหาญดีเป็นพิเศษผิดกับผู้หญิงธรรมดาทีเดียวบุกป่าไปนานๆอีกหน่อยก็ชินไปเองและสามารถรู้เข้าใจได้ด้วยตนเองว่าอะไรมันเป็นอะไรจะให้ผมอธิบายออกมาให้ชัดเจนและตรงกับข้อเท็จจริงที่สุดนั้นผมก็ไม่รู้จะ อ, อธิบายได้อย่างไร เพราะมันอธิบายยากอย่างที่ยกตัวอย่างไม้เห็นแล้วนี่แหละครับคือเมื่อผมบอกว่าคุณหญิงตาฝาดไปเองคุณหญิงก็ยังยืนยันอยู่ว่าเห็นชัดๆไอ้คั้นผมอธิบายในเรื่องความอาถรรพ์เรื่องผู้ผีปีศาจคุณหญิงก็รับฟังไม่ได้ถนัดนักมันค้านกันเองอยู่ในทีอย่างนี้แหละหล่อนเงียบงันไปนานอย่างตัดสินใจไม่ถูกเต็มไปด้วยความโงงงครางเคลงและอกสั่นขวัญสยองอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน แล้วนี่ต่อไปถ้าตาชั้นฝ่าเห็นอะไรพิลึเกเพลิกอย่างนี้อีกฉันจะทำอย่างไรดีบอกตรงๆว่าขณะที่เห็นนะแทบจะช็อกไปทีเดียวมันเขย่าวขวัญทำลายประสาทเหลือเกินถ้าเห็นอีกก็ควบคุมสติให้ดีครับแล้วก็นั่งพิจารมันไปให้ถ่องแท้ว่ามันคืออะไรอย่าขวัญเสียอย่าวิ่งหนีอย่าเอะโวยวายเพราะการเหล่านั้น มันจะทำให้เรายิ่งหวาดกลัวตกใจเป็นทวีคูณขึ้นไปอีกมันจะมาให้เห็นในลักษณะไหนก็คิดเสียว่าเรากำลังดูภาพยนต์ขยี้ตาเสียแล้วดูใหม่เรียกชื่อตัวเองดูสิว่าเรายังรู้สึกตัวเราอยู่หรือเปล่าแล้วถ้ามีปืนอยู่ในมือก็เล็งให้เที่ยงที่สุดแล้วลองซัดออกไปสักเปรี้ยงพางเขาก็หัวเราะอีกครั้งยักไหลก็แค่นี้เองล่ะครับแล้วเราก็จะรู้เองว่ามันคืออะไรกันแน่ บางทีกิ่งไม้บางทีจำปลวกบางทีก็กลายเป็นสัตว์ไปจริงๆพูดง่ายแต่มาทํายากเหลือเกินขณะที่เรายังไม่ออกเดินทางเข้าป่ามาเมื่อคุณเตือนฉันเช่นนี้ฉันก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องง่ายได้เหลือเกินและก็รู้อยู่ดีแล้วว่าจะต้องปฏิบัติเช่นนี้เหมือนกันแต่พอมาเผชิญเข้าจริงๆทําตามที่คุณว่านี่ไม่ได้ก็เพราะฉะนั้นนะสิครับเขาถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องการความชำนาญและการฝึกฝนให้เกิดความเคยชินคุณหญิงไม่ใช่รายแรกของคนที่ผ่านโลกเจริญแล้วเต็มไปด้วยทฤษฎีของวิทยาศาสตร์แล้วมาเผชิญกับสิ่งอลึกลับมืดมดนนี้จนทำให้อกสั่นขวัญหายไปดอกครับใครต่อใครหลายคนในคุณลักษณะเช่นเดียวกับคุณหญิงก็ได้มาเจอกันเส้นนักแล้วผมเคยนั่งห้างกับนักธรณีวิทยาชาติฝรั่งเศสคนหนึ่งเป็นคนชั้นดรดซั เราเฝ้าซากชาวบ้านคนหนึ่งที่ถูกเสือล่ากออกไปพอตกดึกตาด็อกเตอร์นั่นเกิดเห็นศพที่เรากําลังเฝ้าอยู่ลุกขึ้นนั่งแยกเขี้ยวยิงฟันและกําลังจะปีนไต่ห้างขึ้นมาแกเลยวุย่วายขึ้นเสือที่กําลังจะเข้ากินซากอยู่แล้วเลยเพ่นแนบไปรายนี้ยิ่งกว่าคุณหญิงเสียด้วยซ้ําและตลอดทั้งคืนของคืนนั้นเราทําอะไรกันไม่ได้เลยผมต้องรับภาระหนักคอยระวังไม่ให้แกเพ่นลงจากห้าง เพระเดียเด๋ยวๆเดยวแกก็เห็นศพนั้นมีการขึ้นไหวอยู่ร่ำไปพอรุ่งเช้ากลับแคมป์แกก็ล้มเจ็บเป็นโรคดีซ่านกืบตายขออย่าให้ฉันเจอเข้าวอย่างอิตาด็อกเตอร์ที่คุณว่านั่นเลยหล่อนพูดเสียงสัน่นพนมมือขึ้นฉันกลัวแล้วเห็นนิดแล้วจะไม่ขออวดดีลองดีอีกต่อไปพรานใหญ่ซ่อนยิ้มท่านักวิทยาศาสตร์รู้จักพนมมือในป่าได้อย่างนี้แล้วก็เชื่อว่า คงจะไม่เป็นอะไรหรอกครับเมื่อคืนนี้การที่คุณหญิงเห็นขบวนของเจ้าป่าแม้จะเป็นภาพในมโนคิดหรือภาพฝันก็ต้องนับว่าเป็นนิมิต ด, ดีแล้วสังเกตไหมครับหลังจากที่คุณหญิงเห็นเจ้าป่ามาสําแดงตนแล้วภาพหลอกหลอนหน้ากลัวต่างๆไม่ปรากฏให้เห็นอีกเลยหล่อนไม่ตอบสีหน้างุนงงหวัาดๆยืนอยู่ในความรังเลเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอดประราดใจตนเองไม่ได้ว่า แต่ไหนแต่ไรมาหล่อนไม่เคยมีความโน้มเอียงเชื่อถือในเรื่องเช่นนี้มาก่อนเลยตรงกันข้ามกลับเห็นว่าเป็นเรื่องเลวไหลที่สุดแต่แล้วก็กลับมาเผชิญด้วยตาตัวเองอย่างชนิดพูดไม่ออกและไม่สามารถจะพึ่งสติปัญญาของตนเองได้เลยในอาณาจักรป่าดงพงไพรที่แวดล้อมรอบกายอยู่ในขณะนี้หล่อนรู้สึกตัวเองว่าเป็นเพียงส่วนประกอบปลีกย่อยเสียเหลือเกินแม้แต่ใบไม้บางชนิดมันยังกว้างใหญ่กว่าตัวหล่อนเสียอีก ศพพวกนี้เราจะทํากันยังไงอุจารตาหรือเกินในที่สุดหล่อนถามขึ้นพรานใหญ่สั่นศรีรษะไม่มีทางจะทํายังไงได้เลยนอกจากจะปล่อยไว้ตามบุญตามกรรมอย่างนี้เราไม่มีเวลาพอที่จะจัดการฝังเพราะต้องรีบเดินทางเชื่อว่าอาจพบพักพวกของเราของเขาบ้างก็ได้เมื่อมีคนถูกเสือข้ามาถึงสามคนแบบนี้พวกเขาต้องตามแน่ทั้งสองระจากบริเวณนั้น บ่ายหน้าขึ้นไปทางป่าโคกแวดที่หนองแคบแคบตอนหนึ่งซึ่งขังน้ําไว้เมื่อฝนตกใหญ่หวานซืนแล้พินบรรจุน้ําเพิ่มเติมในกระบอกจนเต็มดาลินซุดตัวลงวักน้ํารูปหน้าและลําคอพออาศัยความชุ่มชื่นเพื่อเตรียมรับกับความแห้งผากร้อนรุ่มของดงกันดารซึ่งยังไม่สามารถจะทํานายถูกว่าจะต้องบุกบานผจญไปอีกสักเท่าใดพรานใหญ่ให้เวลาหล่อนนั่งพักอยู่ที่บริเวณหนองน้งนํานั้นอีกครู่ใหญ่ แล้วก็บอกให้ทราบว่าจะพยายามค้นหาหมู่บ้านหรือแหล่งอาศัยของพวกตัดไม้ตามแผนเดิมดังเช่นที่ได้ตั้งใจไว้เมื่อเย็นวานก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายขึ้นขัดจังหวะเสียก่อนซึ่งเขาเข้าใจว่าคงจะไม่อยู่ห่างออกไปนักและนั่นคือเป้าหมายขั้นแรกของการสืบข่าวคลาวของคณะที่พละดพรากจากกันไปสามชั่วโมงเต็มๆของการเดินวกวนอยู่ในดงดิบซึ่งหญิงสาวไม่มีทางจะเข้าใจหรือกาหนดจดจาอะไรได้เลย นอกจากจะตามเขาไปในลักษณะเหมือนคนตาบอดป่าเงียบเชียบไม่มีสิ่งใดกระตกกระตาหรือแสดงร่องรอยให้เห็นว่ามีมนุษย์ป้วนเปี้ยนอยู่เลยหล่อนเห็นนภินขมวดคิ้วอย่างพิสวงจืนกว่าสายตาสำรวจค่ายครวนไปรอบด้านขณะนี้ต่างยืนอยู่ในบริเวณป่าดึกดำบรรต้นไม้แต่ละต้นสูงใหญ่ทะยานเยี่ยมเมฆแผ่กิ่งใบเบียดเสียดปกคลุมแสงตะวันไว้มิดชิด จนกระทั่งพื้นดินเบื้องล่างมืดสลัวอับชื้นใบไม้ที่หล่นลงมาสมทับโถมกันมองไม่เห็นพื้นและหนาถึงสอกเศษไม่มีสัตว์อะไรแผ้วผ่านมาให้เห็นนอกจากพวกกิงกาบินตัวเล็กๆที่ทราร่อนโฉบจากต้นไม้ต้นโน้นมายังต้นนี้เห็นวูบว่าไปหมดอากาศค้นหายใจไม่สะดวกนักการเคลื่อนไหวแต่ละก้าวยากนักที่จะระมัดระวังไม่ให้เกิดเสียงขึ้นได้ ด่านช้างที่อาศัยเดินมาได้มาสิ้นสุดตรงอย่างกระทันหันยังบริเวณปากทางแห่งนี้และมันเป็นด่านเก่าทำไมเรามาผิดทางกันมังหลอนกระซิบถามแผ่วเบาเมื่อสังเกตเห็นกิริยาของเขาพานใหญ่ไม่ตอบหมุนกายช้าๆไปรอบด้านอีกครั้งแล้วปลดกระบอกน้ำที่สะพายหลังออกส่งไปให้หลอนดาดินรับมาดื่มเต็มกระหาย เมื่อหลอนส่งคืนเขาจึงดื่มบ้างเพียงเล็กน้อยแล้วใช้มีดที่ติดตัวอยู่สับบากต้นไม้ข้างๆตัวไว้เป็นเครื่องไม้อะไรชนิดหนึ่งซึ่งหลอนไม่เข้าใจระหว่างที่เขายังยืนสำรวจทิศทางเหมือนจะอ่านอะไรอยู่นั้นหลอนถือโอกาสสุดตัวลงนั่งพักที่กิ่งไม้ผูกของต้นไม้ล้มขนาดใหญ่ต้นหนึ่งอย่างเหน็ดเหนื่อยไม่ร้าขณะนี้ระพินยืนหันหลังให้แก่หลอนทำใดนั้นเองหญิงสาวก็รู้สึกว่ามีอะไรชนนิดหนึ่ง มีกำลังดันยุ่นๆเข้ามากระทบที่ข้อเทา้าพอเหลือบลงไปมองหล่อนก็ร้องลั่นออกมาสุดเสียงอย่างตกใจพร้อมกับจะ ก, กระโดดหนีแต่ช้าไปเสียแล้วเชือกสีเหลืองสลับริ้วดำอันเคลื่อนไหวได้ซึ่งค่อยๆขมวดเป็นบ่วงอย่างเงียบกริบออกมาจากใต้กิ่งไม้นั้นตวัดรวบขาทั้งสองของหล่อนไว้อย่างแน่นกระชับแล้วฉุดให้ล้มคว่ำจากกิ่งไม้ที่นั่งอยู่ลงมากลิ้งอยู่กับพื้น มันตวัดพันตัวหล่อนมัดเป็นเปราะขึ้นมาอย่างรวดเร็วจนกระทั่งถึงเอวพร้อมกับเสียงขู่ฟ่อจากปากที่อ้ากว้างเห็นเขี้ยวแหลมคมพรานใหญ่หันกลับมาในทันทีที่ได้ยินเสียงพริบตานั้นเขาก็ถึงตัวหล่อนพร้อมกับโบวี้ในมือดารินหมดเรี่ยวแรงไปเสียแล้วด้วยความตกใจและคนขยำขยงังหล่อนหลับตาแน่นส่งเสียงร้องเอ็ดไม่เป็นภาษาอยู่เช่นนั้นมันเป็นงูเหลือมตัวไม่ใหญ่โตอะไรนัก ขนาดหน้าแข้งเท่านั้นแต่มันก็เป็นมัจจุราชสำหรับมนุษย์ได้อย่างสบายในกรณีที่จู่โจมเอาโดยไม่ทันรู้ตัวมือซ้ายของรพินพุ่งเข้าคว้าก้านคอที่กำลังชูร่อนของมันเจ้าสัตว์เลือดเย็นงับฉับลงไปบนข้อมือของเขาเต็มแรงอย่างดุร้ายเขี่ยวกราดที่ถูกขัดขวางในการพิชิตเหยื่อของมันรพินเสียวปราบสะบัดแขนออกโดยแรงเลือดจากคมเขี้ยวสร้างบาดแผล ร, ราวกับถูกมีดกระชากทะลักออกมาในทันทีนั้น โดยไม่คํานึงถึงว่าบาดแผลถูกกัดจัดการเพียงไรและพินขยุ่มก้านคอของมันไว้ได้อีกครั้งอย่างถนัดทนีด้วยกําลังทั้งหมดที่มีอยู่แล้วปักขมมีดเสียบลึกลงไปใต้คอของมันพร้อมกับกรีดกระชากเต็มเหนียวเลือดสีคล้ําของมันพากออกมาท่วมลําแขนเขาและอาบลงไปถึงล่างของดาลินที่นอนดิ้นอยู่ข้างล่างเจ้าวายร้ายสะบัดท่อนหางฟัดฟาดพื้นไปอยู่ไปมาอย่างน่ากลัว แล้พินกัดฟันแหวะคมมีดของเขาให้ผ่าตลอดลงไปอีกจนเป็นแผลทางยาวเกือบสออแล้วกดหัวลงไปแนบกับโคนไม้ใกล้ๆกระชากมีดออกจ้วงแทงทะลุหัวไปตึงติดอยู่กับโคนไม้ตำแหน่งนั้นโดยปักคาทิ้งไว้อึดใ จ, จต่อจากนั้นเ ข, ขาก็คลายส่วนหางของมันที่ยังรัดกายของหญิงสาวออกอย่างรวดเร็วกระชากหลอนให้ลุกขึ้นยืนลำตัวยาวประมาณสามวาเศษบัดนี้ หมุนติ้วเป็นเกลียวพันการเป็นกระจุกหน้าขยะขยงเลือดทะลักออกมาเป็นลิ่มดาลินยืนหน้าซีดเหมือนจะเป็นลมไปด้วยความตกใจและคนขนลุกขนชันเจ้าสัตว์เลือดเย็นยังคงดิ้นรนบิดเป็นเกลียวอยู่เช่นนั้นอย่างตายยากทั้งๆ ท, ที่ถูกผ่าท้องเวื้วะและที่ส่วนหัวถูกแทงติดคาอยู่กับต้นไม้หล่อนหอไหล่ตัวสั่นสยิวหลับตาทาอาการขยะข ย, ะข ย, ะขยงเหลือที่จะกล่าวบรือ นรกจกเปรตอะไรอย่างนี้มันโผล่ออกมาเมื่อไหร่ไม่รู้ตัวเลยแล้วพินพึมพามก่อนเอ่นเอ่ยถามสาวที่ยังอยู่ในอาการตกใจไม่หาย